ผู้มีธุดงควัดเป็นเครื่องดำเนินคือผู้มีฝั่งมีฝามีศาสดาเป็นสนธนาในอิริยาบถ ท, ทั้งปวงอยู่ที่ใดไปที่ใดมีทำคอยคุ้มครองรักษาแทนศาสดาไม่ว้าเวเร่ร่อนคลอนแคลนมีหลักใจเป็นหลักธรรมมีหลักธรรมเป็นดวงใจหายใจเข้าหายใจออกเป็นธรรมและกลมเกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจผู้นี้คือผู้มีลาตรีเดียวอยู่กับธรรมไม่หวั่นไหวเอ็นเอียง สำหรับท่านเองให้มีอะไรวิตกข้อจริงแต่ผู้เกี่ยวเนื่องกับท่านมีมากมายจึงควรเป็นห่วงหมู่คณะและประชาชนที่คอยเดินตามหลังบ้างเขาจะได้มีความอบอุ่นในปฏิปทาที่ยึดจากท่านไปเป็นเครื่องดำเนินว่าเป็นความถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดพลาดดังนี้ท่านสอนผมท่านเล่าว่าเพียงนอนตื่นผิดเวลาบ้างเล็กน้อยท่านพระอาจารย์มั่นยังมาเตือนว่าอย่าเชื่อตัวเองยิ่งกว่าทา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 แต่เป็นพระประเภทขายทอดตลาดตามยถากรรมจะตีราคาเอาเองการจำวัดของพระที่มีเสลวัดธรรมวัดต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์บังคับตัวในเวลาก่อนหลับและระวังตัวอยู่ตามวิสัยของพระผู้กำลังจำวัดคือหลับนอนพอรู้สึกตัวต้องรีบลุกขึ้นทันทีไม่ซ้ำซากอันเป็นลักษณะคนขี้เกียจนอนตื่นสายและตายจมอยู่ในความประมาทไม่มีวันรู้สึกตัวการนอนแบบนี้ เป็นลทัทธิของสัตว์ตัวไม่มีความหมายในชีวิตของตัวและเป็นนิสัยของคนเกียจคร้านผาญสมบัติไม่มีงอกเงยขึ้นมาได้ไม่ใช่ทางของศาสนาจึงไม่ควรส่งเสริมจะกลายเป็นกาฝากขึ้นมาในวงศาสนาและพระธุนงทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องทําลายตัวเองดันกาฝากทํำลายต้นไม้ที่มันอาศัยนั่นแลท่านควรขบคิดคําว่าจําวัดกับคําว่านอนซึ่งเป็นคําทั่วไปเทียบกันดู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 สักว่าตื่นสักว่าฉันสักว่าอิ่มสักว่ายืนสักว่าเดินสักว่านั่งสักเป็นอาการปล่อยตัวเกินเพศเกินภูมิของพระสกิยบุตรที่ไม่สมควรอย่างยิ่งในวงปฏิบัติโดยมากมักเข้าใจกันว่าพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันทั้งหลายนิพพานไปแล้วสาบสูญไปแล้วไม่มีความหมายอะไรเกี่ยวกับท่านและตนเองเสียแล้วก็พระธรรมอันเป็นฝ่ายเหตุที่สอนกันให้ปฏิบัติอยู่เวลานี้เป็นธรรมของท่านผู้ใดขุดค้นขึ้นมาให้หลกได้เห็น และได้ปฏิบัติตามเล่าและพระธรรมตั้งตัวอยู่ได้อย่างไรทําไมจึงไม่สาบส น, นไปด้วยเราความจริงพุทธะกับสังฆะก็คือใจดวงบริสุทธิ์ที่พน้นวิสัยแห่งความตายและความสาบสนอยู่แล้วโดยธรรมชาติจะให้ตายให้สาบสนให้หมดความหมายไปได้อย่างไรเมื่อธรรมชาตินั้นมิได้เป็นไปกับสมมุติมิได้อยู่ใต้อํานาจแห่งความตายมิได้อยู่ใต้อํานาจแห่งความสาบสนมิได้อยู่ใต้อํานาจแห่งการหมดความหมายใดๆ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 จำต้องรู้ขึ้นที่ใจซึ่งเป็นที่สถิตแห่งธรรมอย่างเหมาะสมสุดๆไม่มีภาชนะใดยิ่งไปกว่าดังนี้นี่เป็นโอวาทที่ท่านอาจารย์มั่นมาตือนท่านในสมาธิภาวนาในเวลาท่านเห็นว่าหลวงปู่ขาวอาจทาอะไรผิดพลาดไปบ้างเช่นการปฏิบัติธุดงววัดไม่ถูกไม่สนิทกับธรรมเป็นบางข้อหรือบางประการและการจำวัดตือนผิดเวลาความจริงท่านว่าท่านอาจารย์มั่นไม่ได้เตือนด้วยความมั่นใจว่า ท่านทำผิดโดยถ่ายเดียวแต่ท่านเตือนโดยเห็นว่าหลวงปู่ขาวจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหมูนะ่คณะทั้งพระเนนและประชาชนจํานวนมากในวาระต่อไปท่านจึงเตือนไว้เพื่อหลวงปู่ขาวจะได้ตระหนักในข้อวัดต่างๆต่อไปด้วยความเข้มแข็งเพื่อถ่ายทอดแก่บรรดาประชาชนพระเนนที่มาอาศัยพึ่งร่มเงาจะได้ของดีไปประดับตัวดังองค์ท่านอาจารย์มั่นเคยพาหมู่คณะดําเนินมาแล้วท่านว่า การวางบริหารเช่นบาตรการน้ําสบงจีวรหรือบริหารอื่นๆที่ใช้ในสำนักต้องวางหรือเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นผ้าเช็ดเท้าเป็นต้นถ้าเห็นไม่สะอาดควรแก่การใช้สอยต้องเก็บไปซักฟอกให้สะอาดจึงนํามาใช้อีกหลังจากใช้แล้วต้องพับเก็บไว้เป็นที่เป็นฐานไม่ทิ้งกระเจรกะระะถ้าวันใดเกิดเผลอขึ้นมาเพราะธุระอย่างอื่นมาแทรกพอตกกลางคืน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 และได้ความชัดเจนหายสงสัยทุกๆข้อไปปัญหาบางอย่างเพียงแต่รำพึงสงสัยตามกำลังโดยไม่ได้นึกถึงท่านเลยพอตกกลางคืนเข้าที่พอนาท่านก็มาอธิบายให้ฟังเสียแล้วโดยยกข้อที่เราสงสัยขึ้นอธิบายให้เราฟังรากับได้เรียนท่านไว้แล้วท่านว่าแปลกและอัศจรรย์มากแต่พูดให้ใครฟังไม่ได้เดี๋ยวเขาหาว่าเป็นกรรมฐานบ้า แต่ทําเครื่องแก้กิเลสชนิดต่างๆโดยมากย่อมเกิดจากทางสมาธิภาวนาโดยลําพังและเกิดจากทางนิมิตมีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นมาเตือนให้อุบายและแสดงธรรมสั่งสอนโดยสมองเสมออันเป็นการส่งเสริมสติปัญญาให้คิดอันไตรตอนมิให้ประมาทท่านว่าปรรษาที่จําอยู่ในถ้าแห่งลงนาป่าเปลี่ยวนี้ทําให้เกิดอุบายต่างๆที่แสดงขึ้นทั้งภายในภายนอกมากมายตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนผิด ท, ที่ทั้งหลายอยู่มาก เป็นผู้มีราตรีเดียวด้วยความรื่นเริงอยู่กับธรรมในรูปยาบทต่างๆยืนเดินนั่งนอนเต็เมไปด้วยธรรมิติระหว่างสันติธรรมที่มีเป็นฐานเดิมประจําความบริสุทธิ์และธรรมประเภทต่างๆที่ผ่านเข้ามาสัมผัสกับใจและแสดงความหมายไปในแง่ต่างๆกันทําให้กายและจิตชุ่มชื่นรื่นเริงเหมือนต้นไม้ที่ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยปุ๋ยและน้ํามีอากาศเป็นที่เหมาะสมคอยฉลมให้ลําต้นกิ่งก้านสาขาดอกใบของมันสดชื่นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้น ท่ว่าคนเราเมื่อจิตมีราตรีเดียวกับทำความสงบปล่มเย็นไม่ว่าวุ่นคนมัวมั่วสมกับสิ่งใดแล้วก็มีความสุขอยู่ในโลกแห่งขันเรานี้เองไม่จําต้องดิ่นรน่นหาความสุขในที่อื่นพบอื่นซึ่งเป็นการวาดภาพหลอกตัวเองให้เกิดความทะเยอทยานเสริมตันหาสมุทยัยอันเป็นชื่อแห่งทุกเข้ามาเผาลนตัวเองให้เกิดความทุกขความระบากไปเปล่าๆเพราะความสุขที่รู้อยู่เห็นอยู่เป็นอยู่กับใจนั้น เป็นความสุขที่พอกับตัวแล้วโลกนี้ทั้งโลกและโล ก, กอื่นๆไม่มีประมาณในสงสารราวกับไม่มีอยู่สิ่งที่มีและเด่นชัดประจักษ์ก็คือใจกับธรรมที่ปรากฏครอบโลกธาตุไม่มีขอบเขตเหตุผลพอจะนำมาเทียบมาวัดได้เพระจิตกับอัจฉริยธรรมที่ครองกันอยู่มิใช่สมมติจึงไม่เป็นฐานะจะนำมาเทียบกันพอออกภรษาแล้วคณะสัตยาจโจมที่เคยอุปถามภรักษาท่านก็พากันไปอาราธนานิมนต์ท่านลงมา และอารัธนาท่านให้โปรดเมตตาสั่งสอนตามหมู่บ้านแถบอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านจำต้องลงมาทั้งที่อะไรเสียดายสถานที่แห่งนั้นไม่คิดจะจากไปไหนง่ายๆเมื่อลงมาอบรมสั่งสอนชาวบ้านพอสมควรแล้วได้โอกาสท่านก็ออกเที่ยวทุดงกรรมฐานไปตามอธัธยาศัยโดยข้ามไปทางฝั่งแม่น้ำโขงของประเทศลาวบ้างข้า ม, มาฝั่งไทยเราบ้างแล้วเที่ยวบำเพ็ญอยู่แถบอำเภอบึงการ อำเภอผลวพิสัยซึ่งมีป่ามีเขามากที่นั้นเรียกว่าดงหม้อทองและมีทำเลดีเหมาะกับการบาเพ็ญอยู่หลายแห่งมีหมู่บ้านที่ไปตั้งมาอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนเขาอารัธนาท่านให้อยู่จำพรรษาเพื่อโปรโดเขาซึ่งเป็นสถานที่ศักดิกับอัธยาศัยท่านจึงตกลงจำพรรษาที่นั่นตอนท่านพักบําเพ็ญธรรมอยู่ในภูเขาเขตอำเภอพนมิสัยนั้นท่านว่าท่านเพลิดเพลินรื่นเริงไปกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆด้วยความเมตตาเขามาก มีไก่ป่าไก่ฟ้านกนานาชนิดมีนกเนือกนกยุงเป็นต้นและเม่นอีเห็นอีเก้งหมูกวางลิงข้างบางชนีหมาป่าเสือโคร่งเสือดาวช้างกระทิงวัวแดงซึ่งแต่ละชนิดมีมากมายผิดกับที่ทั้งหลายเที่ยว ม, มาเป็นฟุงฟ้งฝู่งคลงโคลงทั้งกลางวันกลางคืนจะได้ยินแต่เสียงสัตว์เหล่านั้นส่งเสียงร้องลั่นสนานป่าตามวาระของเขาอยู่เสมอบางวันเวลาออกไปบินทบาท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 แต่อาจระวังตัวอยู่ภายในตามนิสัยของสัตว์ที่มีสติดีและมีความระวังตัวไม่ค่อยพลังเผยให้กับอะไรง่ายๆเฉพาะท่านเองก็ไม่นึกกลัวมันเพราะเคยได้เห็นมันมาบ้างและเคยได้ยินเสียงมันอยู่เสมอจนชินชาไปซะแล้วเวลาพักอยู่ในที่ต่างๆเรื่อยมาซึ่งโดยมากมักมีสัตว์พันนี้ประจำอยู่เสมอในที่บําเพ็ญ น, นั้นจึงไม่นึกกลัวอื่นวันหนึ่งท่านกาลังนั่งอบรมกรรมฐานแก่พระที่จรรษ า, าด้วยกันราวสามสี่องค์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 ประมาณสามท่มกว่าชักชวนกันเข้ามาอยู่ใต้ถุนบรรณาศาลาเล็กๆที่พระกำลังนั่งสมาธิฟังการอบรมธรรมอยู่ซึ่งสูงประมาณเมตรกว่านิดหน่อยเท่านั้นและส่งเสียงกระหึ่มคำรามและขัดกันอยู่ใต้ถุนศาลาเล็กๆนั้นจนท่านตรงตะโกนบอกว่าเฮ้สามสหายอยาพากันส่งเสียงอื้ออึงนักสิพระท่านกำลังเทศและฟังธรรมกันเดี๋ยวเป็นบาปตกนรกหลุมฉิบหายกันหมดน่าจะว่าไม่บอกเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่เอตโรโคเฮกันนี่นา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 อันเป็นลักษณะหมอ ก, กันว่าพวกเราจะส่งเสียงดังกันนักสีพระท่านรำคาญและรองบอกมานั่นไงละ่ะทำเสียงเบาๆหน่อยเถอะเพื่อนเดี๋ยวเป็นบาปที่กลา ข, ขึ้นหัวนะแล้วก็หยุดไปพักหนึ่งต่อไปก็มีเสียงโครนคลางและการการขึ้นอีกมไม่ยอมหนีไปที่อื่นตามคำท่านบอกและพากันเมาไทยถุนบรรณศาลาเป็นที่เล่นสนุกกันตั้งแต่หัวข้าจนสองยามพระที่นั่งทาสมาธิภาวนากันบนศาลา หลังจากฟังการอบรมทำแล้วก็ทำด้วยความไม่สนิทใจเพราะกลัวเสือจะพากรนโดดขึ้นมาภาวนาด้วยเนื่องจากขณะนั้นเสือโคร่งใหญ่สามตัวก็ยังส่งเสียงขู่เข็นคำรามและกัดกันอยู่ใต้ถุนซาลานั้นด้วยจนถึงหกทุ่มจึงเลิกจากกันไปพระก็ลงไปที่พักของตนเสือก็เข้าป่าไปคืนนั้นเป็นความประหลาดเป็นพิเศษนับแต่ที่ยกธุดงกรรมฐานมาหลายปี และเคยเที่ยวไปสถานที่ต่างๆหลายแห่งหตนตําบลหมู่บ้านและป่าเขาวต่างๆมากต่อมากแต่ไม่เคยมีสัตว์เสือมาตีสนิทมิตรักกับพระเรากับเคยเป็นเพื่อนสนิทมิสหายผู้ฝากเป็นฝากตายกันมานานเพิ่งมาพบในคืนวันนั้นเองตามปกติเสือเป็นสัตว์กลัวคนตามสัญชาตญาณแม้จะเป็นสัตว์ที่มีอํานาจทําให้คนขยขันครรลอครามอยู่บ้างกว่าสัตว์อื่นๆแต่เสือย่อมกลัวและหลบซ่อนคน มากกว่าคนจะกลัวเสือและหาที่หลบซ่อนแต่เสือสามตัวนี้นอกจากไม่กลัวคนแล้วยังพากันมาแอบยึดเอาได้ถุนสาลาหลังเล็กที่พระยังชมนม์กันอยู่ข้างบนเป็นที่เล่นสนุกโดยไม่คิดกลัวพระซึ่งเป็นคนเหมือนมนุษย์ทั้งหลายเลยจึงเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่สัตว์ไม่เคยรู้เรื่องกับศีลธรรมเหมือนมนุษย์ทั้งหลายแต่คริยาที่เขามาตีสนิทสนมกับพระนั้นราวกับเขาก็เป็นผู้หนึ่งที่ ท, ทราบศีลธรรมดีและปฏิบัติศีลธรรมเช่นเดียวกับมนุษย์ทั้งหลายด้วย จึงไม่แสดงท่าทางให้พระท่านกลัวนอกจากเขาแสดงต่อพวกเขาเองซึ่งก่อสร้างกิริยาท่าทางของกันและคันอยู่แล้วท่านว่าฟังท่านเล่าแล้วขนหัวลุกกลัวบ้าอยู่คนเดียวทั้งที่เรื่องก็ผ่านไปนานแล้วเรื่องของคนไม่เป็นท่าก็เป็นอย่างนี้เองแม้ท่านแสดงเรื่องต่างๆอันเป็นคติธรรมให้ฟังก็ตามแต่คนไม่เป็นท่าย่อมไม่ยอมฟังเพื่อ ย, ยึดเป็นคติได้เลยแต่จะดันไปเฉพาะเส้นทางสายไม่เป็นท่าของตันนั่นแหละ ดังผู้เขียนแสดงความกลัวที่น่าอับอายต่อหน้าท่านในเวลาฟังคำบอกเล่านั่นแหละนอกจากนั้นยังมาประกาศขายความขี้คลาดของตัวในหนังสือให้ท่านผู้อ่านหัวเราะเข้าอีกซึ่งนับว่าเลวพอใช้อ่านแล้วกรุณาระวังอย่าให้เรื่องทำนองนี้แทรกสิงเข้าไปสู่จิตใจได้จะกลายเป็นคนขี้ขลาดไม่เป็นท่าไปอีกหลายคนท่านเล่าว่าคืนวันนั้นพระที่นั่งฟังการอบรมและทาสมาธิภาวนาต่อไป หลังจากการอบรมแล้วต่างมีความตื่นเต้นตกใจหน้ตาตั้งหูกลางไปตามๆกันที่ได้ยินอาจารย์ใหญ่ทั้งสามตัวมาให้การอบรมช่วยท่านอาจารย์อยู่ที่ใจถุนในลักษณะแผงฤทธิ์เจือกับความสนุกของเขาทําเอาพระนั่งภาวนากลัวตัวแข็งไปตามๆกันจิตไม่อาจทรงไปนอกลูก่นอกทางได้เพราะกลัวอาจารย์ใหญ่ทั้งสาจะพากันโดดขึ้นมาให้โอวารบนสลาเล็กด้วยทัตทางต่างๆแต่ก็ดีและน่าชมสัตว์สามตัว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 ต้องมีจำพวกใดจำพวกหนึ่งเข้ามาจนได้เพราะที่นั้นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทุกจำพวกเนื่องจากป่าและเขาแถบนั้นกว้างกวางมากคนเดินผ่านเป็นวันๆก็ไม่พ้นสัตว์ชนิดต่างๆดังที่เขียนผ่านมาจึงมีมากพวกช้างเป็นคงโคลงหมูป่าเป็นฟงฟงซึ่งแต่ละโคลงและฝูงมีจำนวนมากมายและไม่สู้จะกลัวผู้คนมากนักปีท่านจำภาษานั้นอุบายต่างๆเกิดขึ้นโดยสม่ําเสมอ และต้องคอยเตือนพระเสมอมเมื่อให้ประมาทในการรักษาทุดดวงวัตรเพราะอยู่ในถ้ำกลางสิ่งที่ควรระวงังหลายอย่างต่างๆกันโดยอาศัยทุดดวงวัตรเป็นเส้นชีวิตจิตใจมีธรรมวินัยเป็นที่ฝากเป็นฝากตายใจยังอยู่เป็นสุขไม่หวาดเสียวสะดุ้งกลัวต่างๆการขบฉันก็ น, น้อยเพียงเยียวยาธาตุขันไปวันๆเท่านั้นเพราะสถาญาติโยมีน้อยและเป็นบ้านเพิ่งตั้งใหม่มีไม่กี่หลังคาเรือนยังไม่เป็นหลักฐานมั่นคง และเป็นความมุ่งหมายของท่านพูดหนักแน่นในธรรมะจึงพึงฝึกฝนอดทนเพื่อทําความอยู่สบายทางภายในจึงไม่กังวลที่อยู่อาศัยอาหารบินทบาทให้มากไปอันจะเป็นอุปสรรคต่อความเพียรยาแก้ไขก็คือความอดทนต่อสู้ด้วยความเพียรทางสมาธิภาวนาโดยถือเอาสัตว์ป่าชนิดต่างๆเป็นเพื่อนและสักขีพยานว่าเขาก็ไม่ได้เกิดมากับอยู่ยายชนิดต่างๆและคลอด ที่โรงพยาบาลมีหมอและนางพยาบาลคอยรักษาผดุงคันแต่เขายังเป็นศาสตร์ชนิดต่างๆสืบต่อกันมาได้เต็มป่าเต็มเขาโดยไม่แสดงความโศกเศร้าเสียใจว่าตนขาดกา ร, รบำรุงรักษาด้วยหมอด้วยยาและนางพยาบาลตลอดเครื่องบำรุงต่างๆส่วนพระเป็นมนุษยชาติและเป็นศักยบุตรพุทธชาติาศาสดาองค์ลือลั่นพระนามสะเทือนทั่วไตรภวัก เป็นผู้ทรงเรียนจบคำพีไตรภูมิด้วยพระขันติวิริยะพระปัญญาปรีชาสามารถในทุกทางไม่มีคำว่าจนตรอกอ่อนแอท้อถอยแต่พระเราจะมาถอยหลังหลังน้ำตาเพราะความทุกข์ลำบากเพียงการเจ็บไข้ได้ป่วยอันเป็นของธรรมดาแห่งขันเท่านี้ก็ต้องเป็นผู้ขาดทุนล่มจมจะนำตนศาสนาไปเม่ตลอดนอกจากต้องเป็นผู้อาถานอดทนต่อสภาพความมีความเป็นความสัมผัสทั้งหลาย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 อยู่ที่ใดไปที่ใดก็เป็นสุขโตแบบทุกสิท ธ, ธาคตไม่แสดงความอดยาขาดแคลนในทางใจพระธุดงกรรมฐานที่มุ่งต่อทำท่านไปและอยู่โดยอาการอย่างนี้ท่านจึงอยู่ได้ไปได้ยอมอดยอมทนความลำบากหิวโหวยได้อย่างสบายหายห่วงกับสิ่งทั้งปวงมีทมเป็นอารมณ์ของใจเรื่องสัตว์ต่างๆที่ชอบมาอาศัยกับพระท่านผู้อ่านกรุณาคิดว่าจะเป็นความจริงได้เพียงไรบ้าง แต่ก่อนคิดเรื่องสัตว์ป่าโครโนาคิดเรื่องสัตว์บ้านก่อนที่ชอบเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของท่านผู้มีเมตตาจิตและเข้าไปอาศัยวัดพออยู่รอดปลอดภัยไปได้ในวันหนึ่งหนึ่งสุนัขและนกเป็นต้นที่ชอบเข้าไปอาศัยวัดบางวัดจนแทบไม่มีที่และต้นไม้ให้สัตว์เหล่านี้อาศัยเพราะมีมามากเลยกันอันดับต่อไปค่อยคิดไปถึงสัตว์ป่าชนิดต่างๆที่มาเข้าไปเที่ยวป่วนเปลี่ยนและอาศัยอยู่ตามสถานที่และวัดที่พระสุโธงท่านพักอยู่ ดังที่เขียนผ่านมามากพอดูทั้งประวัติท่านอาจารย์มั่นและปฏิปทาพระทุโงสายของท่านอาจารย์มั่นซึ่งมีเรื่องสัตว์มาอาศัยพระลงแฝงมาเสมอๆตามประสบการณ์ที่ได้รับทราบมาเป็นความจริงจึงเป็นเรื่องน่าคิดในแง่ธรรมอันเป็นหลักธรรมชาติให้ความร่มเย็นได้เป็นธรรมแก่ตวสโลกทุกชาติทุกภาษาโดยที่ตว์ทุกๆจำพวกไม่จาเป็นต้องสราบว่าทําคืออะไรก็ตาม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 พระจิตใจกับกระแสธรรมเป็นของคู่คนกันยิ่งกว่าอำนาจราชศักใดๆซึ่งเป็นสิ่งปรุงแต่งและเสริมขันขึ้นย่อมสลายไปตามเหตุการณ์ไม่แน่นอนดังนั้นสัตว์แม้จะไม่เคยทราบว่าธรรมะคืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่ชอบและยอมรับโดยธรรมชาติสัตว์ย่อมสแสวงหาเองดังสุนัขเข้าไปอาศัยวัดสัตว์ป่าเข้าไปอาศัยพระทุดงเพราะธรรมคือความเย็นความไว้วางใจเป็นต้นที่สัตว์เข้าใจว่ามีอยู่ในที่นั้น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 โดยไม่คิดถึงหัวใจมนุษย์ด้วยกันและพระาศาสนาซึ่งเป็นสมบัติของประเทศบ้างเลยแม้ผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านั้นก็ยอมทราบความดีความชั่วคนดีคนชั่วสัตว์ดีสัตว์ตชั่วได้เช่นมนุษย์ทั่วไปจึงควรคิดและเห็นใจผู้อื่นที่พรักสงวนสมบัติของตนบ้างไม่ปล่อยร้อยเปอร์เซ็นไปสีทีเดียวในที่ทุกสถานอย่างจะพอมีเขตแดนแห่งมนุษย์และสัตว์เป็นที่อยู่อาศัยคนละวัตรละตอนบ้างไม่กระเข้าฟันไปเสียหมดจนไม่อาจทราบเลยว่า ใครเป็นใครเพราะอาะไรอะไรก็แบบเดียวกันเสียสิน้นหลวงปู่ขาวชอบเที่ยวหาที่วิเวกและเปลี่ยนที่ทําความเพียรอยู่เสมอปกติก็ชอบเที่ยวทุดงไปตามป่าตามเขาอยู่แล้วแล้วยังชอบเที่ยวเปลี่ยนที่ทําความเพียรอยู่เรื่อยๆเช่นไปพักอยู่ที่นั่นเป็นปกติแล้วแต่เวลาเช้าไปทําความเพียรกลับไปอยู่ที่หนึ่งตอนบ่ายๆหรือเย็นก็เปลี่ยนไปทําอีกแห่งหนึ่งกลางคืนก็เที่ยวไปทําความเพียรอยู่อีกแห่งหนึ่ง ในแถบที่ท่านพักอยู่นั่นแลเปลี่ยนทิศทางบ้างไปใกล้บ้างไกลบ้างไปอยู่ในถ้ำอื่นจากถ้ำเดิมบ้างขึ้นไปอยู่บนหลังข่าบ้างตามหินดานบ้างดึกๆจึงกลับมาที่พักท่านให้เหตุผลสําหรับนิสัยท่านว่าเวลากําลังชนลมุนวุ่นวายกับการแก้กิเลสการเปลี่ยนอุบายต่างๆเช่นนั้นปัญญามาเกิดขึ้นเสมอกิเลสตั้งตัวไม่ติดเพราะทุกอุบายของสติปัญญาตีต้อนในท่าต่างๆให้หลุดลอยไปเป็นพักัก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 อำเภอพหลิวิสัยอเภอบึงการจหววัดนองคายแลมบ้านแพงจัววัวดนครทนมแถบนั้นมีภูเขามากเช่นภูสิงภูวัวและภูลังกาซึ่งล้วนเป็นทำเลดีดๆเหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมอย่างยิ่งแต่ห่างไกลหมู่บ้านมากบินทบาทไม่ถึงก็งมีคนผาเปลี่ยนตันขึ้นส่งอาหารที่ดังกล่าวเหล่านี้เป็นที่ชุมนุมของสัตว์ป่านานาชนิดมีเสือช้างกระทิงวัวแดงเป็นต้น พอตกใบบ่ายและเย็นจะได้ยินเสียงสัตว์เหล่านี้ร้องสนั่นวันไหวไปทั่วทั้งป่าผู้มืสละตาจริงๆยากจะอยู่ได้เพราะเสือชุมมากเป็นพิเศษและไม่ค่อยกลัวคนด้วยบางคืนพระท่านเดินจงกรมทางความเพียรไปมาอยู่มันยังแอ บ, บมาหมอบดูท่านได้โดยไม่กลัวท่านเลยแต่ไม่ทำอะไรมันอาจสงสัยแล้วแอ บ, บด้อมเข้ามาดูก็ได้พอท่านได้ยินเสียงผิดสังเกตนึกประหลาดใจส่องไฟฉายเข้าไปดู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 สามารถมองเห็นช้างทั้งโขลงได้อย่างชัดเจนทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ซึ่งกำลังเริ่มจะพากันออกเที่ยวหากินท่านว่าเวลาดูช้างทั้งโขลงใหญ่ๆที่กำลังหยอกเล่นกันอย่างเพลิดเพลินเช่นนั้นทำให้เพลินดูมันจนค่าไม่รู้ตัวก็มีเพราะสัตว์พันนี้ชอบหยอกเล่นกันเหมือนมนุษย์เรานี่เองหลวงปู่ขาวท่านมีความเด็ดเดี่ยวมากดังที่เขียนผ่านมาแล้ว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 ว่าเป็นผู้สิ้นพบสิ้นชาติอย่างประจักษ์ใจทั้งที่ยังคลองขันอยู่ปล่อยขันเมื่อไรเขาเป็นประมังสุขขังล้วนเมื่อนั้นหมดความรับผิดชอบอกังวลโดยสิ้นเชิง